ว่านอนักในปฏิบัติธรรมตรือว่าคนเกลียดข้านมักกลางว่าร้อนนักในปฏิบัติธรรมหรือว่าคนเกลียดข้านมักอ้างว่ายังเช่าอยู่ไม่ลุกขึ้นทําความเพียรหรื่าเกลียดข้านมักอ้างว่าเหนื่อยนักมักอ้างว่าหิวนักไม่ทําการทํางานมัน ลักษณะของขนเกลียดข้านพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้บันดิตย่อมฝึกตนอยู่เสมอมันดิตย่อมฝึกตนอยู่เสมอถ้าไม่ฝึกมันก็ใช้ไม่ได้กายใจของเราเมื่อเราฝึกวัวฝึกควาย ฝึกมาเทียมลถเทียมคลาดเทียมไถเฉพาะตัวมันเองมันก็ไปตามเรื่องตามราวจะหยุดตรงไหนจะไปข้างซ้ายข้างขวามันก็ไปตามเรื่องของมันแต่เรามาฝึกเทียมรถเทียมคลาดเทียมไถต้องให้แบกภาระให้หนักสักหน่อย เวลาหนักก็ต้องดันให้เป็นเอางานเอาการให้เป็นจึงจะเรียกว่าฝึกขัดบางทีมาบางตัววัวควายบางตัวพอหนักก็ไม่สู้เที่งคาดเที่งไถเที่งล่อเที่งเกวียนไม่เอาการเอางานบางทีก็วิ่งหนี ไม่ยอมเข้ารับแอกรับปล้อพอทีเหนื่อยก็ล่องไม่ทนไม่มีความทนเห็นมากกระจ้นของแขกอินเดียลดมากแขกอินเดียตัวเล็กๆ เ, เทียมลด วิ่งขึ้นโดยเขาชิดจะขูดซึ่งเป็นเนินขึ้นไปขึ้นไปแต่พอมันดันเฉยๆมันไปไม่ได้คนนั่งห้าหกเจ็ดคนมาตัวเล็กมันก็กระโดดใส่กระโดดใส่เอกกระโดดใส่กระโดดใส่กระโดดทีไรลอรถก็เกลี้ยงไปมันก็กระโดดเรื่อยๆกระโดดเรื่อยๆ เขถามเขาทําไมเอาตัวเลขเยอะเกินเขาบอกว่าตัวใหญ่มันสู้ตัวเล็กไม่ได้แล้วว่าตัวเล็กมันเอางานเอาการเองแขกเขาชอบตัวเล็กๆก็เลยวมากก็จ้อนอันนี้ก็ชีวิตของคนเราเนี่ยอย่ารู้สึกว่าตัวเองมีความอดทนเอาการเอางานตัวเมื่อเราปฏิบัติรู มันก็เกิดการเกิดการเกิดความยากลำบากถึงเขาวมันง่วงเหงาหานอนก็ต้องทนต้องสู้ซะหน่อยถึงเขาที่มันหมกผุ่นคุณชิดมันเครียดมันทุกข์ก็ต้องสู้อย่าเปรบางทนซะหน่อยสู้ความยากสู้ความลำบากมันจะทำให้เข้มแข็ง เห็นความง่วงเอาหานอนถ้าเราไม่ปฏิบัติตรงนี้ก็กลายเป็นปัญชัยพ่ายแพ้ยอมไม่ผ่านถ้าเราเห็นเราเจริญสติไปมันเกิดความง่วงขึ้นมาเราก็เออนี่หรือภาระของเราต้องดัดใจให้มันผ่านพ้นไปเหมือนวัว ดันล่อดัดันเกวียนตกกล่มตกโครนกดดันกดดันแล้วแล้วก็ผ่านไปได้ช่วยเจ้าของอยากได้อยากได้ยิ่งกว่าเจ้าของวัวเทียมเปลี่ยนบางคู่ อยากใต้มากกว่าเจ้าของมันเดินดันไม่ไหวมันคุกเข่าลงเวลามันขึ้นเขาขึ้นหมอถ้ดันมันมันเม็ไม่ได้คุกเข่าดันเอาเดินเข่าขาหลังยันไปขาหน้าคุกโงงเดินเข่าขาหน้าไปจนสเปนร่างกายจนสัน่นอ หายใจจนโยกตัวมันเหนื่อยหมดแรงมันก็ไม่ทิ้งร่อดทิ้งเขียนแต่ว่าบางตัวบางคู่ก็ทิ้งเลยไม่เอาทิ้งแอกบิดแอกเชือกขาดแอกหักวิ่งหนีไปเลยบางตัวคนนอนเลยบางคู่คนนอนลงตีเท่าเลยเขาไม่เก็บหยาบลื้ อ, อก็ชีวิตของเรา ฝึกใส่งานใส่การลองดูก็ไม่ถึงกับว่าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยผ่านเคยผ่านตรงที่เราผ่านเห็นความโม่งเอาห่อนอนความชิดพุ่งสาน่นความลังเลสงสัยพยาบาทกามราลาคะทิฏฐิความเห็นต่างๆ อย่าทอแท้อย่าทอดถอยมันเกิดขึ้นแจผู้ใดผู้นั้นก็ต้องเป็นงานของผู้นั่นไปได้ประสบการณ์ได้บทเรียนไปเรื่อยๆไปเห็นกายตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นเป็นตัวเป็นตนสตินี่ถ้า ถ้าอยู่ตรงหน้ากับเสียงใดมักจะเกิดปัญญาท่านจึงเรียกว่าสติปัญญาเมื่อสติเห็นกายนานๆเข้าก็กลายเป็นปัญญาลูกแจ้งทักท่วงเฉลยเฉลยหลุดออกไปเห็นกายสสกว่ากายไม่มี ต, ตนไม่มีตนอยู่ในการ บางทีก็ไปชนกับเวทนาความปวดความเมื่อยถ้าดูดีๆนะเวทนานี่มันมีรสชาติลึกซึ้งดูดีๆมันปวดขึ้นมามันสุขกันทุกข์ขึ้นมานะมันทำให้เราได้บทเรียนตรงนี้ได้เยอะแยะไปหมดเลยสนใจมากสนใจเวทนานเวทนานี่อย่ากลบเกลืก่อน ถ้ากลบเกลื่อนเวทนาไม่เห็นเวทนาชัดเจนจะตอบไม่ได้ว่าเวทนาสัมว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปวงตนตนโราเขาถ้าเรากลบเกลื่อนกลบเกลื่อนแบบไห น, นอริบทอริบทตต่างๆบังเวทนาไว้ไม่เห็นไม่เห็นเวทนาเพราะอริบทกลบเกลื่อนบังเอาไว้ทุกข์ก็ไม่ค่อยยะเห็นอริบทบังทุกข์ เราจึงอดจึงทนให้ให้มันโชว์ออกมาให้เราเห็นเห็นเรานั่งเราเดินก็พอเดินเหนื่อยเราก็เอาความเหนื่อยเป็นเป็นจุดที่เราจะต้องหยุดตรงเลิกบางทีอาจจะไม่ถูกความเหนื่อย ไม่ใช่เป็นความไม่ใช่เป็นคาสั่งที่จะต้องให้เราเปลี่ยนท่้งงานท่้งการความเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็รู้สึกตัวขณะที่มันเหนื่อยเมื่อยล้านั่นแล้วก็เกี่ยวข้องกับควมาม เ, าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั่นให้ถูกต้องไม่ใช่พอเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็ ไปไมีอำนาจแล้วก็สั่งเราให้เลิกการทำงานทาการเลิกความเพียรเลิกควาโลภความเพียรแล้วก็ไปจบชงอยู่ตรงนั้นให้มันเกินความเหนื่อยเมื่อยล้าไปสักหน่อยถ้าจะหยุดก็หยุดด้วยสติปัญญานะแม้แต่ความคิดก็เหมือนกัน คิดขึ้นได้ก็เชื่อความคามิดไปทั้งหมดเพราะไม่ถูกเสมอไปอย่าให้มันเป็นใหญ่เกินไปหัดให้สติเป็นใหญ่ให้สติอินรีเป็นใหญ่เรามีกรรมฐานกรรมฐานก็หมายถึงมีสติเป็นใหญ่เป็นผู้ที่จะลิ้คิดจะให้ความคิดลิขิด การใช้ชีวิตประจาวันเราให้สติลิขิตไปจะหลงบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าให้ให้ให้รู้จักทิศทางรู้จักเงื่อนไขรู้จักหลักของการของงานของการใช้ชีวิตจึงจะเรียกว่าฝึกตนจึงจะเรียกว่าบันดิตมีสิ่งที่ทำให้เราฝึกหัดเยอะแยะ อันเกิดขึ้นกับกายกับจิตใจนี่จนฝึกทุกแง่ทุกมุมทุกฉากทุกขั้นทุกตอนที่มันแสดงที่มันเกิดขึ้นมาอาการต่างๆธรรมชาติต่างๆที่มันแสดงให้เราเห็นเราต้องฝึกตรงนั้นด้วยเกี่ยวข้องกับสิ่งเรานั่นเราก็เชื่อน้อมใจเชื่อคำ สอนพระพุทธเจา้าเห็นกายก็สบก า, กายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไปเสียก่อนสร้างสร้างกระแสทวนกนระแสไปเสียก่อนปากอยางใจอยางก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรามองสองแง่สองมุมไว้เหือนเนื้อตกใต้เห็นเวทนาก็เหมือนกัน ใช่ความเห็นน้อมใจเชื่อเหมือนกันจากว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกโดโดลตัวตนเราเขาคิดก็เหมือนกันที่มันคิดขึ้นมาคิดอะไรก็ทำตามความคิดได้ทั้งหมดมันก็ไม่ถูกต้องทำตามความคิดทั้งหมดไม่ถูกต้องปฏิเสธบ้างเป็นคนละเรื่องกับสติ มองเป็นคนละอย่างอย่าให้มันครอบงำสติเปิดมันออกพลิกมันออกให้สติอยู่หน้าเอาไว้ข้างหลังแม้มันคิดเลี่ยวคิดดีก็เอาไว้ข้างหลังให้มีสติออกหน้าไปอย่าให้มันขวงขันทำขวงขันท่านเรียกว่าเดรฉานเดรฉานกถา การขวางกันอะไรขวางกันสติสมัญญาอะไรก็ตามที่มันขวางกันสติสมัญญาเรียกว่าไปทางขวงๆแบบนัน้นเรียกว่าเดรัจฉานกถาเดรัจฉานวิชาอย่าไปสนใจอย่าไปรู้เหตุผลต่างๆที่ไม่ใช่สติเอาสติไว้ก่อนอย่าเที่ยงหลักอย่าทิสทิ่ง เงินไขที่เราสร้างเรียกว่ากรรมฐานอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆบางทีเ็เกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความรู้เกิดความมืดมนไม่รู้เกิดเป็นกุศลเกิดเป็นอกุศลอกุศลบางอย่างก็ทำให้เราหลงได้กุศลบางอย่างก็ทำให้เราเจริญได้ อากุศลบางอย่างก็ทําให้เรามีปัญญาเอากุศลบางอย่างก็ทําให้เราเป็นภาระต้องเปลี่ยนอากุศลเป็นกุศลเอากุศลบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันได้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เพราะเราได้ผลเรียบจากมัน เอามาเป็นของดีเอามาใช้ให้มันเกิดสำเร็จประโยชน์เช่นความโกรธมันเกิดประโยชน์ทำให้เกิดความไม่โกรธความทุกข์ที่เป็นอกุศลทำให้ได้ประโยชน์ทำให้เกิดความไม่ทุกข์ได้อกุศลคือจิเลตันาละคะที่มันนอนเนื่องอยู่ในชีวิตจิตใจของเราก็ต้องละ ม่มันจะเป็นจริตนิดใสเราละรอเวลารอเวลาเปลี่ยนแปลงละไปละไปเรื่อยๆอย่าใส่ใจอย่าเพ่งเล็งละไปเรื่อยๆความทนความเพียรการละเนี่ยมันต้องมีความเพียรไม่ใช่ไม่ใช่จะค่อยตาม มีความอดทนอยู่ขณะทีละมีความเพียรขณะทีละมีสติปัญญาขณะทีละอกุศลให้เป็นกุศล <c oughs> อาศัยหลายเหตุหลายปัจจัยไม่เหมือนความโกรธความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงอะไมันเป็นกิเลสอย่างหยากหยาบไม่เป็นอนุสัยเป็นกิเลสอย่างหยาบมันเปลี่ยนตรงกันข้ามได้ทันทีอย่างโลก พระพุทธเจ้าสอนว่าลากเข้าของ อ, อกุศลมีสามอย่างคือโลภะโทสะโมหะหนึ่งสงสามก็ดีมีอยู่แล้ว อ, อกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นนั่นมันไปทางนั้นร่าเข้าของอกุศลมูลมีอยู่สามคืออโลภะอโทสะโมหะมหนึห่งสองสาม 1, 2, 3, มีอยู่แล้ว กุศลตื่นเที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นตรงกันข้ามกุศลเรากุศลเปลี่ยนปั๊บเหมือนหน้ามือหลังมือไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอะไรอันนี้ง่ายง่ายถ้าจะจะเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติที่ง่ายๆไม่เหมือนอนุนสัยนิสัยปัจจัยทิฏฐิมานะอนุนสัยทิฏฐิมานะ อันนั้นอาจจะยากยากกว่าอากุศลก็ขอให้ก็ขอให้มีชนะบ้างการปฏิบัติธรรมทำได้บ้างจนบอกกับตัวเองว่าคิดตังเมคิดตังเมชนะแล้วเอ้ยชนะแล้วเอ้ยให้มียกมือไหวตัวยางได ยกเนี่ยให้กับตัวเองได้บ้างการปฏิบัติธรรมไปเห็นความม่วงเป็นงานของงานชื่นใจเมื่อเราเห็นงานที่มันทําให้เสียหายมันจะทําให้เสียหายเห็นเราใ้วัดเรา ม, ามีท่อน้ํามท่อไฟถ้าเห็นไฟมันขาดเห็นไฟมันรั่วเห็นไฟมันชอ็อตพั๊บปี๊พพั๊บปี๊ป โอ้ยมันทิ้งไม่ได้ก็ต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้มันเกิดการเสียหายหรือได้ยินเสียงน้าไหลชูชูชูชเอาหนังลูกพ่อมาจากที่อื่นขำมืดเดินเข้ามาวัดศาลาหน้าเสียงมันชูชู่ชู่ชู่แต่อนก็หูมันดีก็ตามเสียงมันไป มันเสียงอะไรชู่ชู่ใช้หายไปไปใช้ไปตาไปตามเสียงใช้ไปไปตามเสียงก <c oughs> ็ เ, เห็นท่อมันหลุดที่ที่ร่างถ้วยที่างล่างถ้วยมันหลุดมันก็ชู่ชู่น้ําก็เล่นพุ่ ง, ง, ง, งตอนนั้นเราก็ เราก็เปื้องผ้าเพื่อจะทางานแล้วก็เข้าไปทำงานการทำงานก็ไปแก่น้ำที่มันไหลอยู่ไม่ให้มันไหลก็ต้องมีความสุขขมหลอกคอแล้วก็เปียกด้วยแล้วก็เปียกด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องที่สบายสบายความเปียกน้ำที่มันเป็นการเป็นงานเราหยุดมันไหลได้ เราหยุดมันไหลได้จนมั่นใจว่ามันไม่ไหลนะเราก็ตรงน้่เนะมันทิ้งไม่ได้ในชีวิตของเราการงานบางอย่างมันควรที่จะเป็นอย่างนั้นอย่าปล่อยทิ้งมันเกิดให้เราได้เกิดขึ้นมาให้เราได้ปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องนะแล้วก็มั่นใจถูกต้องทั้งหมด อาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความงงงงหอนอนมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานความคิดผุ้งสร้างมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานความลังเลสงสัยมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานพยาบาทราคาจิตทิฏฐมานะเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน สามารถที่จะเกี่ยวข้องกับมันได้อย่างถูกต้องไม่ต้องไปหาใครเลิกกล้องใครมาช่วยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอย่าทิ้งส่วนตัวอย่าทิ้งงานส่วนตัวจำเป็นมากๆการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าว่าเจ็บใขยได้ป่วยปวดท้องอย่างแรงถ้าปวดท้องอย่างแรงลองลองเอาหัวแม่มือกดลงไปขาหนีบตรงเนี้ย เอาเนี่ยกลางมาจดสะดือเอาหัวแม่มือมันเน็บข้อระหว่างขาตรงนั้นทั้งสองทางเอามือสองข้างเอาหัวเนี่ยกลางมาจดสะดือหัวเนี่ยแม่มือมอมจดตรงนัน้ถ้ากดลงไปถ้ามันเจ็บม า, มากๆก็แสดงว่าไส้ติ่งไส้ติ่งอักเสบเราต้องหาหมอปล่อยไว้ไม่ได้ต้องเรียกร้องหาความช่วยเหลือ เคยมีอยู่สมัยหนึ่งคนสมชายเนี่ยปวดท้องอย่างแรงแล้วก็ทำวิธีเนี่ยเออสมัยนั้นมันไม่ใช่คนหมอํำพนนะคหมอํำพนก็เป็นคนอื่นแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลพอไปผ่าใส่ติ่งเลือดไปหยุดเลยตกใจเลยเพราะว่าคนสมชายเนี่ยติด เโอินกำลังจะมาเลิกใหม่ๆเลือดมันไม่แข็งตัวเป็นหมอก็หมดปัญญาทำไงทำไงทำไงเลือดไหลไม่หยุดเลยเหมืหหหหหหอนน้ำไหลออกแก๊วท่อดึงๆออไปมาก็หยุดอะไรีน่ก็ต้องต้องรู้ไม่ใช่อารมณ์ของกรรมาฐานแล้วก็มีปัญญาด้วย อะไรที่สุขภาพมันเป็นยังไงดูออกเลี้ยนลูกมันไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ทําแล้วมันโง่นะมันฉลาดแม้กระทั่งสุขภาพมันก็ฉลาดที่เรานั่งหัดใหม่ๆนั่งนานไม่ได้ต่อไปต่อไปมันจะนั่งนานได้มันก็วิวัติพัฒนา เดินนานไม่ค่อยไอยโวดเข่าโวดคอปวดแขนปวดขาหัดไปหัดไปมันเกิดความเข้มแข็งเดินได้ย้อยๆไปได้เลยมันวิวัฒนาวิชากรรมาฐานเป็นวิชาพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตหไ ม, ไม่ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียหายไม่เหมือนวิชาอื่นๆเช่นเล่นกีฬาบางทีขาหักได้บาดได้แพ้ได้ ทเลาะวิวาทกันน uh ี้น AH ี like, ่ว <iantes> <c oughs> ิชากรรมฐานทะเลาะกับทะเลาะกับตัวเองการทะเลาะกับตัวเองเป็นเรื่องดีแล้วก็พยายามเอาชนะตัวเองวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เอาชนะตัวเองวิชาอันไรอื่นๆมันเป็นวิชาเอาชนะคนอื่นสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นกีฬาเอาชนะคนอื่นวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เอาชนะตัวเอง จะ แ, แพ้ก็แพ้ตัวเองไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้กับเราแม้คนอื่นเขาทำให้เราโกรธเราก็เป็นเรื่องส่วนตัวเราอย่าไปโทษคนอื่นคนอื่นทำเราทุกข์เราก็อย่าไปโทษคนอื่นถ้าเป็นนักกรรมาฐานต้องมาแก้ไขตัวเองมาห้ามตัวเองนับหนึ่งเกี่ยวับตัวเราแก้ปัญหาที่ตัวเรามันจึงจะถูกต้องถ้าไปแก้ปัญหาที่คนอื่นไม่จบไม่สิน้น วิชากรรมฐ า, านเป็นวิชาแบบนี้เป็นวิชาที่แก่ตัวเองชนะตัวเองแพ้ตัวเองแต่แพ้ตัวเองเนี่ก็น่าอายมากถ้าชนะตัวเองเนี่ยโอ้ประเสริฐนะคนเขาส่วนมากเขาชนะคนอื่นแต่แพ้ตัวเองเนี่เขากบเกลื่อนเอาไว้แต่น่ากรรมฐ า, านแต่แพ้ตัวเองเน่ยโอ้ยมันสกปุกมันน้าเศร้าหมอง มันเบื่อนหน่อยมันเห <c oughs> มือนบ่อขยะที่หมักหมมเอาไว้ที่หมักหมมเอาไวนะ้เห็นสูบบุรีเนี่ยสูพบุรีเนี่ยสูบทีไรเป็นลักเป็นบสูบมองตรงก็น่าเตียยอยู่แต่มันอดไม่ได้ ไ, ดไหมไมก็นด้เห็นใจเหมือนกันไปแอ บ, บสูบในช่วง คนไม่เห็นนั่ะเหม็นมากที่สุดเลยถ้าจะแอบสูบเลี้ยงเก่งขออย่าไปสูบในส้วมมันอยู่ในส้วมเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกลิ่นมันก็ไม่หนีไปไหนไปสูบทื่นได้ขินแหนงแแรงใจตัวเองมากเกินแต่เลิกไม่ไหวก็เลิกยากอ ย, กอยู่แล้วก็ก็กอละอายตัวเองอยู่หวังครั้งก็ละอายตัวเองก็พยายามจะเอาชนะมันจนเราชนะมันได้อ่เนี่ย การแพ้ตัวเองมันทิ้งไปไม่ได้การเอาชนะตัวเอง เ, องเนี่ยมันมันเป็นของประเสริฐอัตหะเวชิตังเสยอยู่ชนะตนนั่นและประเสริฐที่สุดชนะคนอื่นล้อยคลั่งพันหนุนไม่เท่าชนะตนครั่งเดียวพอพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะลองดูชีวิตของนักกรรมาฐานชีวิตของเราบัณฑิตต้องมองกับมาหาตัวเราอะไรก็ตามต้องมองกลับ ถ้าจะเป็นนักปฏิบัติต้องมองกับมันจึงได้เงื่อนไขที่ดีที่ถูกต้องอย่าไปโทษอะไรออกไปข้างนอกเราออกไปข้างนอกมันนิสัยของคนผ่านเราต้องมองตัวเรามองตัวเรานับหนึ่งจากตัวเราเริ่มโทนจากตัวเราให้เรียกว่าบัณฑิตต้องฝึกตนอย่างนี้บัณฑิตต้องฝึกตนเหมือนกับ โดยเจ้าตัดไว้ว่าช่างสอนต้องดัดลูกศรช่างถากก็ต้องถากต้องไลมันคตมันงูก็ต้องถากให้มันตรงช่างดัดลูกศรก็ดัดลูกศรบัณฑิตก็ต้องฝึกตนฝึกตนฝึกตนโดยเฉพาะวิชากรรมาฐานการเจริญสติเนี่ยมันครบวงจรทั้งหมดเลยวิชาการฝึกตนเด็นรอบตัวรอบด้าน มาทางไหนลูกหมดเลยว่ามีหน้าโลกู้ชุงกายยังปริมุกขังมีสติเป็นหน้าโลกไม่เผอไม่เผอเราหัดตรงนี้เราหัดตรงนี้นกัน